เฟังทำกันเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาของพวกเราตามาถึงที่นี่แล้ว <c oughs> ตั้งใจมากันทุกชีวิตพบกันกลางทางก็ว่าได้อะไรที่มัน เป็นแปได้และเป็นแปไม่ได้เราก็มาพิสูจน์ร่วมกันดูก็ดีนะพบกันกลางทางนะพระผู้ถเจ้าไปพบกับทัพขีกลางทางโลกสาช่างม้อ เดินทางไปส่งข้าวพ่อพบกันกับผู้คนที่เดินเข้าวัดเชตตะวันพบกักลางทางถามกันขณะที่เดินไปด้วยกันลูกสาวช่างหม้อก็ลอยแวะไปเชตตะวันด้วยกับหมู่อที่ไปฟังธรรม จนได้บรรลุเป็นพระหารได้คบก่านงางทางแค่นิดเดียวก็ไ ป, ไปส่งเข้าพ่อต่อไปนี่ก็ควรที่จะมีอะไรที่บอกที่ชวนกันบ้างเมื่อกี้เราก็สาธยายพระสูตรเรื่อง ความภาคเพียนชอบเป็นภาษาบาลีบ้างเป็นภาษาไทยบ้างอาจจะฟังไม่ค่อย <c oughs> คุ้นหู <c oughs> ฟังบ่อยๆก็คินไปอาจจะสุมทราบคุ้ถึงกิจใจได้ถ้าจจะพูดแบบง่ายๆก็ว่าในฉันทะต่อใจในการกระทำ ในงานของเราน้อยการปฏิบัติของเรานยความเพียรของเราในเวลานี้ให้มากให้มีฉันทะอย่าเบนไปทิศอื่นทางอื่นช่วงช่องสะบัดหูช่วชงวงูแอบลีนก็ยังดีถ้าไปสนใจเรื่องอื่นไม่ใช่แล้วเราอยู่ที่นี่แล้วด้วยวมีฉันทะขอใจ แล้วก็ฉันทะ่าะเฉยไม่ใช่ต้องมีวิิยะความเพียรประกอบที่นี่เขาประกอบความเพียรกันเดินจงกรมสร้างจังหวะสึกกายสึกใจของตนมีสติเอา้ามัก็มีสติได้ขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเอาลงไป เติมลไปในฉันทะในวิริยะในสติในจิตเอาใจใส่อยู่เสมอไม่ทอดทุลลเดินก็ให้รู้จักเตินยกมือก็ให้รูจ้จากยกมืออะไรที่เกี่ยวกับกายให้ลู้มันแล้วก็ขบเคี้ยวอย่าซื่อบือ้อเวลามันหลงเห็นความหลง เวลามันรู้เห็นความรู้สมผัสเอามันมีความหลงก็มีความรู้ก็มีความสุขความทุกข์ก็มีความผิดความถูกก็มีในกายในใจนี่อย่าให้มันปลีได้ถ้ามันสุขอืเห็นต้ามันทุกข์อืเห็นมัน ตั้มพอ ด, ดสติต่างหากคามสุกต่างหากกวมทุกต่างหากคนเล่นกันอยู่ด้วยวิมังสาขบเคี่ยวอย่าเอาอะไรผิดก็คือเราถูกก็คือเราสุข ก, ก็คือเราทุกข์คือเราอะไรต่างๆมันไม่ใช่ไม่เคี่ยวไม่ขบ ไม่สัมผัสอย่างลึกซึ้งเหมือนจละเข้จละเข้มันกินอาหารเนี่ยมันไม่เคี้ยวมันกลืนเข้าไปเลยคาบอันเดียวก็กลืนลงไปเลยอันช <c oughs> ีวิตของเราอาจจะเป็นเจ้าละเข้ตืนลงไป สุก็เกินลงไปทุกก็เกินลงไปทกกงไปางประเทศนี้คนไทยเรา ท, ท่อกรถินมีลูกอะไยบ้างประกอบการท่อกรถินท่นอต ะ, ะยกุกมีลูกจรเลย์เข้ใช่ปะมีลูกจอร์เลย์ข้มีลูกนางมะฉาเอามาปากไว้ มันเกินลงไปมันก็มีโทษมีประโยชน์อันคืนกวนกลืนอันคขายออกกนจะออกง น, นเราจินอาหารเคี่ยวอาหารการขบเคี่ยวคือเชี่ยวอาหารแ ต, แ, าออากกแต่เชื่ยวไปถูกหินแล้วก็กขายออกอยากเกินลงไปแต่เคี่ยวไปถูกโดก้างเ้างขายออกมา การขายออกการกืนไม่มีใครบอกมันรู้จักเองสัมผัสเตาเองเหมือนเด็กน้อยได้หัดกินข้าวแม่้อนข้าวด้วยปลาบางทีใม่เห็นกล้ามต้อนไปกับความเข้าลูกน้อยพอมาเคี้ยวกล้างปลามันก็อาหาบาก มันเอามือออกไม่เป็นบางทีมันก็ไม่ออกมันบวกร้อ ง, ล, องล้าปากกร้องบางทีมันคายออกมาทั้งหมดอาบางทีมันก็รู้ออกออกอย่างแล้วก็คืนลงไปส่วนที่มันคืนได้ไม่ใช่ทั้งหมดผิดมันเป็นผิดแต่สัมผัสความผิด ทุกมันเป็นทุกทุกมันเป็นทุกสัมผัสเราเชี่ยวแล้วเชี่ยวแล้วถอนออกแล้วอาตาปีสังฌานโอถอนออกมามันสุขมันทุกอยู่กับกว่าอยู่กับใจอยู่กับเวทนามันเป็นลสของโลก <c oughs> ไม่ใช่รสของธรรม กุศลถอนอหกมาอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเออลถของโลกถ้าเราไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักถอนหนกมันสุขมันทุกข์มันพอใจมันไม่พอใจนี่ถอนโหนกมนี่แหละคือความสําเร็จจะไม่สอบรักธรรม ไมยถามตรงๆแบบนี้เขาถามเรื่องปัญหาคือปิดไว้ไม่ให้เปิดเผยให้เรามีปัญญาไหมเขาถามว่าในโลกนี้ากรารศึกษาเขาสำเร็จสูงเป็นวิศศทยาศาสตร์พิสูจน์ดได้อย่างเวลานี้ไขวัดพันใหม่ก็วิสูจน์ได้เขาก็ลอง ผลิวัคซีนส่งไปตามสถานีอนามัยทั่วประเทศให้ทันเขาพิสูจน์ได้มันเกิดจากอันนี้มันเกิดจากอันนี้แ้ทางธรรมเนี่ยอะไรมีความสาเร็จบ้างทมข้อไหนที่ทําไม่ทําสาเร็จทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้แต่ทางธรรมเนี่ยอะไรที่ทให้สาเร็จได้ตอบมาให้มีหลักฐาน จะตอบจงังอาอะไรทำให้สำเร็จในทางธรรมก็บอกว่าทางธรรมก็มีทมที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้มีอยู่สี่ข้อหนึ่งเนทะเอาใจสองวิญญาเพียรประกอบสิ่งนั้น 3. ามจิตเอาใจใส่สี่ิบงังาตีตองให้ดีในสิ่งที่เกิดขึ้น เลือกให้เป็นอะไรเกิดขึ้นสำเร็จได้อธิบายอธิบายครับว อ, อธิบายจงอธิบายตอบเท่านี้ไหมพอจงอธิบายแต่ถ้าพอใจเช่นรามีปัญญาพอใจที่จะเป็นสามีปัญญากันอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่เสื่อมคลาย เพอ ใ, ใจลักกันทําหน้าที่อย่างดีต่อกันวิริยะเพียรประกอบต่อกันในธรรมกฎบีอย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งอย่าหนีไปทางอื่นวิริยะวิริยะเพียรประกอบทาหน้าที่ของตนจิตใจเอาใจใส่อยู่เสมอทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อพ่อผัววิบังสาตีตอง อะไรผิดอะไรถูกเว้นสิ่งที่ผิดทำสิ้งที่ถูกก็มีความสำเร็จในปัญญาสามีได้ตลอดชีวิตบางทีลองตาไปบ้านท้าวไปเมื่อวานนี่เห็นผู้ท่าวมาจำสินสามีมาจำสิงปัญญา มาส่งข้าวรันยามาจำสินมีสามีเท่าๆมาส่งข้าว <laughs> โอ้ดีเนาะนี่ว่าพระเป็ย น, นักวนมาส่งข้าวว่าพร <laughs> าะถอยกจองแม่อาพร่อนเสียคิดไปแล้วต้องออกมาเองพื่อเดียวดีล็กหงตมตัวตึกต่วเดินถือมาพอ้องแล้วก็เห็นเนี่ยโอ้นี่เนาะ แล้วมีฉันทาวิเดยกิตตาไม่มังศาแล้ว ก, กันของเส้นของวาตลอดชีวิตจนเฒ่าจนแกแล้ว ก, กันถึงกระดูกแล้วตาไปเก็บกระดูกคนหนังที่เขาตายฝ้าผ่าฝ้าผ่าตาย <c oughs> แล้วฝังไ้ในเร่ของแล้วก็กนวนไปขดหลุมคน ฟ้าผ่าตายเขาจะฝังยืนแล้วก็เอากระทะคุมหัวไปแล้วก็ดินถมแม่นบอกไปขดไปขดเอาขดลงไปขดลงไปไปเห็นกระทะสับกระทะไปเห็นไก่แล้วไกล่แล้วออกขดลงไปดึงกระทะออก เป็นกระโหลกหัวที่แรกก็ให้โลกชายลงไปขุดอ๋อเจอกะโหลกหัวก็โดดขึ้นหลุมเลยเ <laughs> อกระโดดขึ้นไปไม่สูกหัวเช่แล้วนยพ่อจะเกลูกเองกูเอง <laughs> ก็งโดดลงไปก็เห็นกองกะโดดกะโดดลงไป นั่งลงเอาผ้าเขามาเก็บกระโดกหัวของเมียของตนมาใส่ผ้าใส่ผ้าใส่ผ้าเนี่ยโอที่มันถึงกระดูกแล้วลักกันใช่ไหมเนี่พอทยอยกาจะเจ็บกระดูกเมียจะก็จะบุนดยเปล่เนี่ยนี่คือฉันทะริยะจิตใต้าบางสาวเอาทําความเพียรเนี่ยมีอะไรบ้าง อย่าไปซื้อบื้อที้บี้กันไปในส่วนประกอบใจใจเสมอไม่ทอดตุวละน mm ั hmm. ก็เนี่ยแหละเป็นหลักที่เราปฏิบัติเราไม่ใช่สวดเฉยเฉยสวนแล้วมันขูดตกตัวเองขูดตัวเองขูดตัวเองขัดเก่าออก mm hmm. วาอนสวดนี่เป็นแม mm ่ hmm. ว่าอนลุงตาไปวังปรปโมกทวดปาปลุกข้ทงแล้วก็นั่งฟังพ mm hmm. อสวดไปโมกจบ โอ้สนุกดีม่วนซื่นดีเหมือนก็เราได้นั่งฟังคำสอนออกกพระโอษของพระเจ้าเวลาฟังไปสิคราบบนไหนบัณโครเราบัณฑโคตรเรบัณโคตรเราบัณฑ์โลตร เ, รร เ, รรเรพระบางรูปนั่งเมานอนเ อ, อ้ยไม่มีฉันทะไม่มีเลยียไม่มีจิตตะไม่มีวิบงังศาไม่สมําเร็จนี่ยก็เหมือน ก, กันนะ นั่งฟังเป็นโมกสี่สิบสีห้าสิบนาทีอาจจะไม่มีปรโยชน์เลยแต่บางรูปตั้งใจฟังเราทองวาเพียงไหนกายานุปจนาเห็นกายบางคนออกกายไม่เป็นตัวเป็นตนปอยบางคนเหยียดกายสกปรกกายไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาเหมือนกับมันขูดออกขูดออกขูดออดเห็นเวทนา ถ้าเราซื้อบื้อก็สุขทุกข์ถ้าผู้ที่มีวิมังสาเอตองเวทนาสักเวทนาไม่ใช่จัดบุคคตตตลตนเราเขามันโูดอกอกเห็นจิตที่มันคิดไปโน่นไปนี่ น, น, นมันก็นึกว่าเราทั้งหมดเป็นความสุขความทุกข์จิตใจความรักความชังโกรธโลภหลงเพราะจิตใจ โอเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อสภา จ, จิตไม่ใช่สัตว์ตอุกคนโตโตเราคงโูตรออกเคยเป็นหลงเพราะใจเคยถูกเข้าใจเคยผิดเพราะใจเคยทุกข์เพรใจอ๋อมันเรียบเรียบเรียบเรียบแบบเหมือนกับการขัดให้เหม็นเงาขึ้นมางองอะไรเห็นเหมือนขัดพระพุทธรูป พ, พุทธรูปเศร้าหมองขัดออกขัต่อ ถึงเนื่อทองเหลี่ยมระยบไปเลยก็ดีไม่เานั้นก็หน่อยเหมือนไม่คีวิปิดทองพระพุทธรูปปางมารวิจัยสมัยอ่าสมัยเชียงแสนเหลี่ยมงาน็ะไรแบบันเก่านะฮะมันแต่งได้หเห็นอย่างแ น, น่แล้วว่าฉันทาวิยะจิตตะวังสา มันสําเร็จตานะแล้วเราเพียรประกอบอย่าให้มันหลงพีพีผิดพีพีถูกพีพีสัมผัสจวมหลงความรู้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธมันตกกันข้ามก็กระทุบกระทือนไปถึงโน้นหลวงตาก็พูดในวันนั้นนะว่าจนถึงโน้นอะจนถึงสมมุติบัญญัติวัตถุอาการการสัมผัส มันลืออนล้อถอนก็ลื้อถอนจริงๆนะปฏิบัติทรรมแนวไม่ใช่เพื่อเอาไปจำไปถกไปเถียงไปโต้ไปอะไรกันไม่ใช่เลยมันเถียงกับตัวเองมันเอากับตัวเองเน่ะผิดก็เราเห็นมันผิดเห็นถูกก็เห็นมันถูกนะมันฟ้องเราก็ส า, าตุลาการส ต, ตินี้เหมือนพิพากษาตุลาการ ความหลงต่างอันความหลงความผิดความนั้นต่งเป็นจำเลยมันสู้ทำไม่ได้ทำย่อมชนะอาจทมเสมอเลื้อออกเลื้อออกเลื้อออกเห็นนอนพูดถึงอะไรพอจำได้ไหมสมมุติบัญญัติวัตถุอาการต่างๆวัตถุคือตาคือหูจมูกเล่นกายใจ รูปโลจินเสียงอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นมีความพอใจและความไม่พอใจหูดินเสียงก็มีอาการเกิดขึ้นเหมือนคล้องแต่มันอยู่เฉยมันไม่มีเสียงพอไปตีแล้วมันก็ดังขึ้นมาเสียงคลางของคล้องนั่นเรียกว่าเจิจิกมันแล่นไป ตาเห็นเราก็เล่นไปพอใจมันเล่นไหมไม่พอใจมันเล่นไปไหมมันคลางแบบเรียกว่าเจตสิกมันเป็นอย่างนี้แล้วพอเราเห็นมันก็อันนี้เป็นเสียงคลางค้องไม่ใช่คล้องเพราะเอาไปตีมันก็เลยดังแต่อย่าไปชอบเสียงมันอย่าไปไม่ชอบกับเสียงงานที่มันสุขมันทุกข์ก็มี เหตุปัจจัยเอาต้องดูที่เหตุนานม่ใช่ไปตำหนเสียงค้องบางทีี่เียนเสียงค้องคนที่นอนตื่นสายก็ไม่พอใจใช่ไหมเอา้าหมอก็ต้อนหรัไปขี้บ้า น, นตีไว้เถอะค้องเว <laughs> ลาท่านาว่าระอองฝนไม่พอใจสำหรับคนขี้หนาว แสงแดดไม่พอใจคนที่ร้อนคนนอนตื่นสายไม่พอใจคนที่ปลูกให้ตื่นบางทีแม่ปลุกลูกข้างเฮ้ยเฮ้เพราะเป็นเสียใช่ไหม <laughs> มันนอนตื่นสายไม่พอใจกับกันพ่อแม่ปลุกให้ตื่นไอ้เสียงของเชยก็พอใจไม่พอใจแล้วตอนไดที่เรานอนหลับ หมดเลี้ยวหมดแรงแล้วพอดียินสีงก้องโอ้ยืใหญ่ขอบคุณแต่วางคนไม่ขอบคุณนะตีจังเลยไว้ก็เราตีหแบบัวก็โดนอนอะ <c oughs> อ่าอย่างนี้เราเห็นมันเราเห็นมันอันขางไปตาเห็นโลกหูวดีนนินเสียงจมูกได้กินเรืลอรถกายสัมพันธ์จิตใจคิดนึกมันเป็นอาการต่อกันไป บางทีเราก็วิ่งไปตามอาการนั้นอาการเฉยๆก็ไปเอาความผิดความถูกไปเอาความสุขความทุกข์มันก็หลอกเราล่มเหลขวขั้วน้ําเหลวไม่ใช่ไม่ใช่ใชัดคนโตตนเราเขาตอนเนี้ยเห็นสมมุติในอาการเช่นนั้นว่าดีว่าไม่ดีบัญญัติตาว่าชอบว่าไม่ชอบอุปทานยึดเอา ว่าตัวว่าตนพอเห็นสมมติปตระัญญาพังทลายนะเหยียบย่ำพังกับทำลายความรบความกดความหลงไปเลยทําลายจั ก, กรยานทิฏฐิวิจิจิชาสีาลิยปัละมาศน้องพ่อหลวงตาอยากจะบอกว่านี่แหละปัทโทธรรมเปิดออกได้เปิดออกได้เลยเข้าไปสู่ธรรมอย่างสงา่างอามเมย เรเห็นชุมชนน่ะมันลื้อถอนออกลื้อถอนออกมั้นเราเห็นลื้อบ้านลื้อบ้านเขาลื้อตรงไหนตรงลื้อตรงแปลมันพอลื้อไปลื้อไปเห็นช่องเห็นอันนี้ติดตรงนั้นตรงนี้ลื้ออกลื้ออกลื้อกอะไรมันติดมันไม่ต้องเรียนมันสอนเราการลื้อบ้านก็ดีการสร้างบ้านก็ดีสร้างเรือนก็ดีเขาบอกเรือนน่ะแต่ภาษาอีสานว่าเรียด ภาษาไทยเราวาเรียนเหนือน็เลยต่างกันนิดหน่อยคบว่าเรียน น, ยนี่มันบอกเราเรียนรู้มันบอกเราเช่นจะยกว่านเอาอะไรขึ้นก่อนมันก็บอกคนหลุมเสาตั้งตรีคารบางตรงตรีคอเสาใส่คือใจจันทัน มันบอกไม่ใช่ไปทำหลังคาก่อนไม่ใช่ต้องเวลาเลือกก่อนนั้นกันอนุโลมปฏิโลมในปฏิจจสมบาทไเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมอันหนึ่งไปอันหนึ่งลืออวิชามันไปอวิชาสังขารเวญญานามรูปไปเจริาผัสสาพิจฒนาตัณหาอุปทานพบชาติชลามรณะมันเกิดมาจากโน่นอันลามรณะเนี่ยอวิชาม วิชาเปิดสังขารดับน้ำดับโรคดับดับไปเลือบ้านน้องมุดเลยนะจะจะว่าเราความโลภความโกรธความรอนนาวจืดจางไปเลยนะสักยะทิฐิวิจิจฉาสีลพตาประบาท ấy. เอ้อมันจะยากอะไรนะมันเลื่อไปจากในล้วบ้อยปัเนีน่ยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตรงนี้ได้เหมือนกัน แต่ระวังนะตรงนี้มันจะเป็นกินตายานเป็นวิปัญโญมันตกแหล่งความรู้ตกแหล่งความรู้นะมันมีแหล่งความรู้เหมือนกันนะมีแหล่งความหลง <c oughs> มีแหล่งความรู้มีแหล่งความหลงแหล่งความรู้ทำให้หลงนาะยอ่านหนงก็ะรูดนี่ก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไป รู้นั่งรู้เดินลูเลยไม่ได้ทำความเพียร เ, เดินจงกรมไม่ได้เทศสังสั่งสอนนันนั่นก็โอ้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครมาบอกนอกจะพูดอย่างนี้ไม่ใชพูดเป็นวิปัสนญไปเลยนะเสียเวลาเป็นสุขก็เป็นสุขมีปัญญาก็มีปัญญาแต่ญญแบบไ ม, แบบม่ปัญญาแบบไม่ใช่แบบทําลายกิเลสมีปัญญาแบบ ลูบๆเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่อาณาไม่ใช่ให้กับบาหลวงพ่อเทียนบอกว่าจะเป็นผู้ลูกให้เห็นมันลูกเนี่ยยอดเยี่ยมเลยแล้วจึงบอกไว้เลขวางหน้าเลยไม่มีไม่เป็นอะไรกับไรมันสุขก็ไม่เป็นผู้สุขมันทุกข์ก็ไม่เป็นผู้ทุกข์มันลูกก็ไม่เป็นผู้ลูกมันห ล, ล, ลงก็ไม่เป็นผู้หลงบอกไว้เลยหลวงตาบอกไว้เลย เพราะการสอนทำตัวเนี่ยไม่ต้องสอบปรนเป็นการบอกกันอย่างละเอียดอยู่แล้วมันหลงเห็นมันหลงเนี่ยมันผิดก็เห็นมันผิดเนี่ยมันถูกก็เห็นมันถูกเนี่ยนี่แหละมักอ่ะหลวงพ่อเทือนบอกว่าให้เห็นมันมันสุกมันรู้มีปัญญาอย่าหลงนันจะกลายเป็นวิปัสนาวเสียเวลาแล้วมันจืดแล้วมันก็มาตั้งต้นใหม่ ไม่ได้กลับมาเห็นต่างๆรู้สึกต่างๆไปเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไปแล้วก็พารุความเพียรไปอีกมีสติไปอีกมันก็เห็นช่องทางมันก็มันก็มีอะไรที่มันแตกต่าง ก, กันกว่าเดิมกิ่ใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนท่าทายเลยว่าต่อไปนี้ อันความสุขความทุกข์ที่เกิดกิดไปยกับใจจะไม่มีอีกเลยความสุขที่เกิดกับกายความสุขที่เกิดจากใจจะไม่มีแล้วความทุกข์ที่เกิดจากกิดความทุกข์ที่เกิดจากใจจะไม่ต้องมีต่อไปในจะมีจิตภพจิชาติไม่ต้องกัวนเรื่องนี้เลยมันเหมือนกับปิติอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันั้นทําอะไรได้สําเร็จต่างก็มีความพึงใจ ก็ถ้ายกก็ผู้ใหญ่สวนทำร่อยปลูกอ้อยสองร้อยสามรอยไร่สําเร็จเลยทํานาสําเร็จเลยแล้วก็ร้องเพลงไต่ค <c oughs> ันนาได้แมนบอก่อทยอยไปให้ร้องเพงลงบปล่ามืนก็บร้องเพลงอะร้องเพลงไต่คันนาเสกบร่องช่อตะวันเย็น <c oughs> แน ผนตกเขียดร่องโตนาข้าวเขียวงาไมมีความสุขเหมือนกันนะองตาเป็นชาวนาร0อยเปเซนในความสำเร็จในการทำนามากอต่ว่าไม่มีใครสู้ได้หรือเปการทำนาการทำนานนื่ไม่กลัวไปเป็นหน่งตีข้าวนวดข้าวคืนเดียวเสร็จนาสองที่ฮะ แไปข้าตลอดลุ่งเลยพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธว่มันไปนะพุโทโธพุทโธเน่ยมันไวายไปทิ่งไวปทิ้งไปเปินไปเปิดไย ไ, ไม่นอนเลยเออขึ้นมากวดกุ้งข้าวอยู่ผู้เฒ่าในบ้านสาแต้ไปหาแม้ผู้ด่ตีเขาเนี่ยมันบิดขึ้นมันสอดแจ้งนะฮัลโหลพูดจังได๋อ <laughs> ย อผมหลับพยัยวะแม้นแม้นมันพูดจังใดหรอกก็ผมนี่แหละ ว, ว่าผมจิเฝ้าไปตีเขาแปลงเงินอย่างหน้ายังมีอีกครู่นึงเออเข้าเสร็จแล้วแ ล, ล, ล, ลเขาออกมาบ้านมาบอกกันสวดพระโยนหาเกียนไปทุกเข้าขึ้นช้างมาขึ้นเราวะไม่มีใครเชื่อหรอกหรือก่ลงไปนาแปลงง น, นี่ไม่มีความสําเร็จนย่งมางที่มัน มันก็มั่นใจนะอาคิพอะไรก็มั่นใจการปฏิบัติธรรมยิ่งสาเร็จคนนั้น ท, ทันทีมันหลงก็รู้ได้เนี่ยมันหลงรู้ได้ทำไมจะไม่ลื่นไม่ได้เลยสักยทิทิเนี่ยถือกายเป็นตัวเป็นตนตมันจะยากขนาดไหนทาไมไปล่องให้พอกายทาไมไปแก่พอกายทาไมไปเก็บพอกา ย, าป เ, กายเป็นอาการของเขาเรียว่าสักยทิทิ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกกเสียดาย <c oughs> อย่างนี้ไมนจะยากไหมไม่มีความสามารถทุกคนเช่นผมบังพูเขาว่าแต่ดูดีๆมีสติดีๆนะมันจะเกิดอะไรไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องเคยจะ ก, รกระงังก็ทำแต่เวลาใดัรรล้บรรลุไปแล้วมันหลงกหลงไป ไม่ใช่เป็นตัวรูทั้งหมดอความโลภความโกรธความหลงจะอยู่ที่ไหนก็ทุบก็เถื่อนไปที่หลีตั้งหันละก็ก็ทุบก็เถือนเลยเหมือนกับแต่ก่อนมันโนดมันหมุนติดมันติดไปวันนี้มันเคลียร์ออกไม่ติดเราจะให้มันดึงมันไม่ดึงล่ะมันขาดเรามันขาดต่ออย่าให้มันแน่นมันไม่แน่นจะดึงลากไปให้ความรักมันหลุด จะดึงไปในความชังมันก็หลุดจะดึงไปในความโกรธมันหลุดจะดึงไปในความอะไรต่างๆขีดเอามันหลุดออกมันใช่ไม่ได้มันใช่ไม่ได้จะให้รักมันก็ใช่ไม่ได้จะให้โกรธมันก็ใช่ไม่ได้จะให้สูกมันก็ใช่ไม่ได้มันเอาน็อตออกแล้วใช่ไหมรู้จักน็อตไหมมันขันอะไรขันทุกอย่างให้เป็นอันเดียวกันใช่ ความโกรธใช่ได้บางคนนะทำตามความโกรธสาเร็จความทุกข์ใช่ได้ทําตามความทุกข์สำเร็จจนฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายมันติดกูเป็นคนโกรธกูเป็นคนแล้วกูได้โกรธกูได้ชอบกูไม่ชอบมันติดตอนนี้มันไม่มีมันถอนออกมามันมันเปิดเตียวมัหมุนมนอดออกแต่ไม่รูปอยู่ ก็ทุบก็เถือนไปขันหน้าเห็นตระมัดขันหน้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอกองขันหน้ากองน่ยโอ้ยมันเป็นความยึดเฉยๆมันเป็นความยึดเฉยๆแต่ขันหน้ามัใช่ตัวเฉยตนเราไปยึดได้ว่าขันหน้าคือรูปคือเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นตัวเป็นตนอุปทานอุปทานยึดได้อย่างที่เราไปสวดพไปสูตรธรรมะว่าโดยย่ออุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกข์สวดได้ฟังเฉหน่อยได้ไหมว่าโดยย่ออุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกข์เสื่เยื่ทีทางได้แจ้จริงเหล่านี้คือ รูปังอเิจังรูปไม่เที่ยงอ่าไปดูสิอันนี้เปิาไม่เที่ยงเอตนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสามลงไปอีกรูปไม่ใช่ตัวตนเอตนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจักรองแลงๆได้ยินไห สิ่งใดเป็นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนควรหรือที่จะไปะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเราเสียเวลาเราผิดพาคตัวนี้แทนที่จะมีประโยชน์เห็นโทษเห็นภยัยกลายเป็นเอาดอกเอากองจักมาผลหัวตัวเองเ อ, อ้อรอร้องไห้เพระอุปทาน ข้ปรานลื่อถอนอุปทานในขันออกมันก็เป็นกองขันห้าเน่ขันหลังให้กันเหมือนคนหน้าคนก็ไปพอไปแล้วก็ยหยุดทำเป็นแต่ธรรมชาติของขันขอบคุณขันที่มันเป็นรูปรูปก็คือดุ้นคือก้อนคือมหาพูทธรูป ออกมาแล้วความชั่วออกมาทําความดีออกมาทําจิตใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นลูกดมามก็ย้อนมาอย่างนีอขอบคุณเนาะที่พ่อแม่ให้เรากําเนิดเกิดมาเป็นลูกเป็นนามนี่ถ้าเราไม่มีลูกดามเราทำอะไรไม่ได้นี่แหละเนอะการเกิดขึ้นมานี่ยเพื่ออันนี้โดยตรงเพื่ออย่างนี้โดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น พ่อแม่อาจทําำไม่ได้จึงให้ลูกไว้เพื่อทําหน้าที่อันนี้ถ้าเราทำหน้าที่สําเร็จก็โอ้ยขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ลูกให้นามาพ่อแม่อาจจะทำไม่สําเร็จจึงส่งคนลลูกทําต่อไปทําต่อไปไอ้เป็นอย่างนี้นะใช่ไหมไอ้เช่แบบว่าไอ้คนจะมาถุกขป็นอยากแต่เกิดว่าจากไหนไใช่ ไม่ม้ ว, ว่าระโดกตกโทษ อ, อะไรเลยไม่ใช่นะมันอยู่ที่เราแล้วนี่แหละมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะทำเ ร, รื่งนี้เนะี่ยนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจําเป็นเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต, ต้องตายเป็นนักโทษที่ตัดถิ่นผหานแล้วคีวิตเรานะเราจะต้องไปทางนั่นหรอือทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่ มองตรงกันข้ามนเนี่ยเหมือนพระจิตตะทะเห็นการเกิดเจ็เจ็บตายศึการานนี้จนได้สําเร็จมาบอกมาสอนพวกเราทุกวันนี้เกิดปริศัททั้งสี่นิวัดว า, ารามบอกว่าจยากให้วัดเป็นยังไงอยากได้พระเป็นจกะกรยะอยากให้วัดเป็นยังไง อยากให้มันเป็นวิกเหรือเ้า อ, อยากให้มันเป็นพากันมาตัดตอนไม้ที่งหมดสร้างวิกเอาหนังเอาหมอลรองมาลองเจบเง็บเงินผ่านประตูเอาวอพอเป็มสะดวก <c oughs> สนานดีอ๋อาตาเคยไปอยู่บ้านท่าไฟหวานปีแรกอารอจิบเก้าอะไรก็ไม่มขอเสือเขาอมอ่นอน ก็ไม่เห็นเมลัยก็เลยถามโยมมาประชุมกันโยมอยากให้วัดเป็นยังไงอยากให้พระเป็นพระยังไงถามชาว่าน ะ, ะาพ่อเปรี่ยวม่เหมือนทายกยงกันมนาหลายหลายสิบปีแล้วโยมก็พูอดอยากให้พระ อยากให้วัดเป็นวัดที่พอมีที่ทำบุญทาทานสร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญอยากให้พระเป็นไงอยากให้พระมาบอกมาสอนให้มีคุณงามความดีอะไรมันไม่ดีถามไปถามไปแต่ก่อนนะั้นเขาเปลี่ยนเป็น ที่เราเม่ายาการพนันอยู่ในวัดเนี่ยเต็มไปเปิดเป็นเบอรลงไพ่ไฮโรเต็มวัดไปเลยไ อ, อยู่ใหม่ขนขวดเล่าไปฝังไ้เป็นวันวันแก้วแตกมีเวทีมวยอยู่บนศาลานั่น <c oughs> นะสนุกสนานอะไรมันไม่ดีกินเล่าเม่ายามันดีไหมไม่ดี ทเลาะว่ากันดีไหมไม่ดีเร่อการพนันดีไหมไม่ดีเราจะให้สอนไหมถ้ามันไม่ดีไม่ทำเลยไล้ว ไ, ไหมประกาศเลยล่ะถ้าอยากให้พระมาสอนนะ่ะหยุดเล่นการมนันในวัดหยุดการเอาโล่หมากินในวัดหยุดไม่ต้องเอามวยมาตีในวัดโทษเราก็ทํำเอยเวทีมวยเอา มะละกอไปปลูก อ, อีต่อมาเขาไม่กล้าเอามวยไปตีเอามีมะกออยู่เต็มไนวัดเลยเออกไปนอกวัดไล่ย่งไปตัวนี้ไม่มีเลยเอเนี่ยกินเหล้าในวัดสัญญากันนะในปอนปอนนาออกปอนษาเนี่ยปอนกับชาวบ้าน ถ้าใครจินเล่าในวัดนะเมาเหล้าเห็นนี่ทําไมให้หลวงพ่อลองโทษทํำลงโทษแบบไหนต้องเขี้ยนเลยไอคนคนหนึง่งก็ยไปลิงดิไปลิงดิก็ไปลิงเนาะทอดกระถินใหม่ๆอ่ะทอดกระถินใหม่ๆอ่ะเมาเหล้ามายืนอยู่หน้าวัดขี้ม้าใส่ลงตาลงตากวดว่าซาลาอยู่แต่ก็ในีเมาเหล้าก็กรถินทอดไปใหม่ เรียกเข้าม า, มานี้มาหนี้มาหนี่เข้ามา <laughs> เรียกเข้ามาหลองตาเคยบอกไม่ใช่หรือสัญญากันแล้วถ้า <c oughs> เห็นมาร่มาจะต้องถ่มโทษต้องตีนะต้องเครียด น, นะจะให้เครียดไหมแต่หลวงพ่อจะเครียดไปเอาไม้เหลียวมาแต่ไม้เหลียวมาเอ า, เอาไม่เล็กน้อยไม่เอา เอาไม่เรืดีกว่านี่นอนหลงเมีู้เคลื่นเลย <laughs> เออแต่ก่อนนี่ทำไมเป็นนี่วะ ต, ต่างเออนี่มก็เออเคลื่อนใครหอกยวแต่ก่อนมันกล้านะเขียน่นพอีเลงเนี่ยใสนะ่เลยอ๋เลื่อนเราก็อ๋ออย่างนันาหลายเขาต้มเลยมาหลายอเอาผ้ามาใส่เอาไปให้แบงเขียวบ้าน ก, ก็ากินนะไอห่หอเขาต้มไปแบง เดี๋ยวนี้ไม่กล้าเขียนไขเ่เลยอย่างเงี่ยบอกก็ไม่กล้าบอกแล้วนั่นก็สมัยก่อนมันมันก็เป็นหน่มเนาะเพราะเราเนี่ยให้อยากให้วัดเป็นไงพวกเราอยากให้พระเป็นไงนะจะต้องมาทํายังไงเกี่ยวพระเนี่ยอยากให้วัดเป็นไงรําหลับร้องตาอยากให้วัดเป็นอย่างนี้อยากให้พระเป็นอย่างนี้ อยากทำว่าเช้าทำว่าเย็นทำว่าเช่าทำว่าเย็นแล้วจะได้มีคนมานั่งอย่างนี้จะได้สอนอย่างนี้จึงจะคุ้มกับข้าวถูกน้าแจงของชาวบ้านมันผิดหรือมันถูกนี่อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มาอ่าก็ก็บางก็แบบนี้นะ เอา A อวังก็มีด้วยประการเดียว